ฝ่ายผู้ชายมีเจที่จะมาพักแรมในวันนี้ก็มาถึงวัดลงพ่อก็ได้ได้มาขอสมาทานศีลการสมาทานศีลที่กล่าวคำสมาทานศีลศีลห้ากล่าวศีล5้านี่น 5, เป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็กล่าวขอศีล8อีกอย่างนึงศีลอุโบสถเนี่กล่าวศีล5้านี่คือว่าม่ยังพันเต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 ทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปให้ข่าว่าตัดกีเลสทางลิ้นคนเราเนี่ยบางคนก็เห็นอาหารโ อ, เอ้เป็นทุกข์เป็นร้อนทาไม่ได้ทานอาหารั น, นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมสำหรับพระสงฆ์ท่านให้ถืถอถือธูระถือธูรงขวัตเตราสะธูรงสิบสาม เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องถือธรงสิบสามเที่ยวบินฑบาทาแล้วก็ฉันเมื่อเดียวฉันอาชนะเดียวอยู่ป่าช้าอยู่ป่าอยู่ในที่แจ้งอยู่โครนต้นไม้รับฉันให้บาตฉันให้บาทเป็นวัดวินฑบาทเป็นวัดแล้วก็ใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ค้ายๆ่าว่าสรุปแล้วก็คือเป็นเครื่องตัด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 อย่าขโมยสิ่งของคนอื่นเขาถ้าไปถ้าเราไปขโมยสิ่งของคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยละ่ะ เ, เราสบายใจไหมเราก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราไปทําให้กับคนอื่นเขาเขาก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ถึงกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิทชาจาราวเวรมาเน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 โลกทั้งโล ก, กจะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วพวกเราจึงจะรักษาศีลตามแนวทรงคาสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะรักษาศีลตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้สมาเราก็ตั้งน้โม่ซะก่อนข้าพเจ้าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มี พ, พระภาคพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งนะ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 เออคอนหรือเวียงมาตกบนศรีรษะของท่านเลือดแตกเลือดอาบนะเขาว่าเหตุอะไรกระเพ า, ะ, าเ ะ, พะวิบา ก, กรรมที่ท่านได้กระทาไว้นี่แหละอันนี้ะคือเรื่องของกรรมมันไม่ไปไหนนะถ้าเราทําไว้แนละ้วมันมาหาพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเรื่องศีลท่าคือเป็นการปดเป็นการปกป้องตัวเองไม่ให้ทําความชั่วเสียหายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ไม่คิดฆ่าเราถ้าเราไม่ขโ ม, ม, ข ม, ม, ขมยของเขามาก่อน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 ชุดโทษณะจึงประคบประงมอย่างมากอยากจะให้ลูกชายของตนเองคือศฐฐีทธัตถเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่แหละออพอเกิดขึ้นมาพอรู้เรียงสาภาวะจะเสด็จไปน่าสถานที่ใดมีแต่ผ้าสแลนมีตอและต้นกล้วยต้น อ, อ้อยมีแ ต, แต่ดอกไม้เ ไ, ไปหมดประดับตกแต่งถนนหนทาง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 เมื่อแกเท่าชลาหรือไม่แท้แกเท่าชลาก็เถอะ อ, อายุน้อยหนุ่มก็ตายกันมีต่มากต่อมากเมื่อตายลงไปแล้วร่างกายนี่จะต้องเปื่อยเน่าลงสู่ดินน้ำํำลมไฟเป็นเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟสู่ดินทั้งหมดแล้วร่างกายของเราเนี่ยหาสาระประโยชน์ไม่ได้อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้า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 เ, เมื่อเรื่องทั้งหลายออกไปจากนี่แนะ้วพยาวจิตราษตัวนี้แหละเป็นตัวจักใจที่ทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อ น, ว, นวุ่นวายทุกวันนี้ก็พอเพราะออกมาจากใจทั้งหมดนะนะัละเมื่อชําระใจของเราหมดกิเลสแล้วใจของเราบริสุทธิ์บุดรุดพ้นแล้วนะนะั่นแหละคือพระหันไปต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะนะแล้วก็อันเก่าววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะ